จเจริญพรสักแล้วเป็นไงบ้างอย่าตอบว่าสบายดีนะ <c oughs> การภาวนาล ะ, ละเลยไม่ได้นันทำต่อเนื่องมันเหมือนเราพายเรือตวนน้ำพายสม่ำเสมอหยุดเมื่อไหร่ก็ต่อยหลังไป น, นั้นคล้ายๆเราจะพายเรือข้ามแก่งนะข้ามแก่ง ต้องทนเนาะยังข้ามไปได้สักแก่งหนึ่งก่อนนะก็เขายัางชั่วหน่อยก็ต้องพื้นทื่อๆไปไปด้วยทิ้งการปฏิบัติไม่ได้เพราะธรรมชาติของจิตนะไหลลงต่ําเหมือนน้าไหลลงที่ต่ํำตอลอดเวลาถ้าเราไม่ดูแลจิตใจของเราให้ดีนะจิตใจก็จะต่ําลงเรื่อยๆเพราะกิเลสมันพาไป ใจของเราเชื่อกิเลสใจของเราไม่เชื่อธรร ม, มะหรอกเพราะใจเราคุ้นเคยกับกิเลสธรรมชาติของจิตนะไหลไปตามความเคยชินใจไม่เคยชินกับกิเลสตลอดเวลาถ้าไม่ดูแลรักษาไว้ก็ไหลลงต่ำไปเรื่อยๆการดูแลรักษาจิตใจของตนเองนะเป็นยอดของการปฏิบัตินะรักษาจิตใจไว้ได้ได้จิตใจที่แท้จริงคืนมา ก็ได้ธรรมะมาสูญเสียจิตใจไปก็สูญเสียธรรมะไปจิตใจของเราได้แหละตัวธรรมะจิตใจของเราได้แหละตัวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือตัวจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องของเรานี่เองแต่ตอนนี้มันยังไม่บริสุทธิ์ตอนนี้มันยังมีกิเลสแอบแฝงอยู่มีผู้ร้ายซ่อนอยู่ในบ้านหน้าที่ต้องรู้ทันนะไล่ผู้ร้ายออกจากบ้านให้ได้ ถ้ารู้ไม่ทันเขาก็พาเราไหลลงต่ำไปด้วยแต่เดิมหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นโยมออกไปศึกษาจากครูบาอาจารย์เข้าไปที่ไหนที่ไหนท่านสอนให้เราพัฒนาจิตให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็มาฝึกให้ได้จิตขึ้นมาก่อนบางคนปฏิเสธนะบอกว่าไม่ชอบดูจิต จะดูกายนี่เข้าใจผิดคนละเรื่องพูดคนละเรื่องพูดธรรมะคนละขั้นก่อนที่จะไปเจริญปัญญาดูกายหรือดูเวทนาหรือดูสังขารหรือดูจิตต้องเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมของจิตให้เหมาะกับการเจริญปัญญาเราเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปเจริญปัญญามันทำไม่ได้จริง การบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านมีเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนไปท่านสอนเรื่องศีลและสิกขาให้เรารักษาศีลฝึกอบรมตัวเองฝึกควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจามีศีลเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาถ้าไม่ควบคุมมาไว้เนี่ยกิเลสเรายังแรงนกิเลสมันครอบงําจิตเราจะทําผิดศีล งั้นท่านเลยเบื้องต้นเน่ยท่านให้รักษาศีลไว้ก่อ น, นไม่รักษาศีลนะจิตใจจะไม่สงบหรอกภาวนาไม่ขึ้นคนทุศีลภาว น, นาไม่ขึ้ น, นเคยทําสมาธิได้ดีนะถ้าทุศีลนะสมาธิก็จะเสื่อมเป็นลำดับลําดับไปเหมือนเทวทัตเทวทัตทําสมาธิเก่งนะแปลงตัวก็ได้เหาะก็ได้นะคล้ายๆฝึกวิชาตัวเบาปลอมตัวได้อยกกังกนินจานะ เก่งพอทำความชั่วมากๆสมาธิเสื่อมไปนะเคยห่อได้ก็ห่อไม่ได้แล้วจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้ายังต้องให้เขาแบกมานะให้ข้อขามมานี่ไม่มีศีล น, นะสมาธิมันก็ไม่มีหรอกนะเคยมีสมาธิอยู่ศนะีลเสียไปสมาธิก็เสื่อมงั้นท่านถึงสอนวนะ่ต้องมีศีลไว้ก่อนเมื่อมีศีลแล้วบทเรียนที่2คือการฝึกจิตนี่แหละที่เราต้องมาเรียนกันให้มาก บทเรียนที่สองของพระพุทธเจ้าชื่อจิตตศิกขาต้องเรียนเรื่องจิตถ้าไม่เรียนเรื่องจิตไม่ได้เราจะเอาจิตซึ่งถูกกิเลสครอบงำนี่แหละไปเจริญปัญญาปัญญาเลยกลายเป็นเครื่องสนองกิเลสไปซะอีกไม่ใช่เครื่องสู้กิเลสงั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราเองให้ได้ซะ ก, ก่อนนะแต่เดิมจิตของเราจนะร่อนเร่ตลอดเวลาหนีทั้งวันหนีทั้งคืน หนีทั้งหลับหนีทั้งตื่นตอนหลับก็ยังหนีไปฝันอีกตอนตื่นก็หนีไปคิดกลางวันก็ฝันกลางคืนก็ฝันนะฝันกลางวันเราเรียกว่าคิดฝันกลางคืนเราเรียกว่าฝันจิตมันหนีไปปรุงมันแต่งตลอดเวลาจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบทเรียนชื่อจิตตสิกขาเนี่ยจะเป็นการฝึกให้จิตใจเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว ใจิตใจที่จะอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมีคุณสมบัติสองอย่างอันนึงมันสงบนะที่สองมันตั้งมั่นเวลาฝึกให้สงบเนี่ยต้องดูก่อนบางทีมันสงบอย่างเดียวแต่มันไม่ตั้งมั่นแต่ถ้ามันตั้งมั่นมันจะสงบด้วยนะเวลาที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตจะสงบแต่อารมณ์ไม่สงบนะเวลาที่ฝึกให้จิตสงบเนี่ยทำสมธาธิกามฐานฝึกให้จิตสงบนะอารมณ์ก็สงบไปด้วย จิตของเราปกตินะีฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งคืนหนีไปคิดตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้เราก็ต้องพามันมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวสบายแล้วมันจะสงบจิตใจที่สงบมันจะมีเรี่ยวมีแรงถ้าจิตไม่มีเรี่ยวมีแรงนะก็เดินปัญญาไม่ได้จิตไม่มีแรงก็เดินปัญญาไม่ได้มีแรงแต่ไม่ตั้งมั่นก็เดินปัญญาไม่ได้ งั้นเราต้องฝึกจนกระทั่งมันสงบนะจะได้เร็วได้แรงหลังจากนั้นต้องฝึกให้มันตั้งมั่นเสมาธิมันมีสองอันสมาธิชนิดที่หนึ่งสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวสงบจากอะไรสงบจากอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านสงบจากนิวรณ์ถ้ามองจากด้านในในจิตในใจก็คือสงบจากนิวรณ์มองจากด้านนอกก็คือสงบจากอารมณ์ อารมณ์มันหลากหลายเข้ามาทางตวานทั้ง6ทําให้ใจซึ่งมีนิวรณ์อยู่แล้วเนี่ยฟุ้งมากขึ้นงั้นเวลาทําสมถะเราทําได้สองแบบนะอันหนึ่งน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มันมีความสุขมีความสบายนะจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปจับอารมณ์โน้อนอารมณ์นี้ในจิตสงบอีกอันหนึ่งอันที่สองขจัดนิวรณ์ซึ่งอยู่ในจิตออกไปถ้าขาจัดนิวรณ์ในจิตออกไปได้จิตก็สงบเหมือนกัน งั้การทําสมถนะนั่นยังทําได้สองด้านนะด้านหนึ่งน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะเป็นอารมณ์ที่จิตใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอันที่สองก็คือขจัดนิวรณ์ในจิตออกไปผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันนะคือจิตจะสงบเวลาถ้าเราทําเข้าฌานอะไรไม่เป็นนะเราอยากให้จิตสงบมันไม่ยากอะไร มีวิธีที่ง่ายๆก็คืออาศัยสติของเราเนี่ยรู้ทันนิวรณ์ใดๆเกิดขึ้นในจิตให้คอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในจิตแล้วนิวรณ์จะดับอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะนิวรณ์เป็นกิเลสกิเลสจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้ ท, ทันทีที่สติเกิดนิวรณ์ดับ ท, ทันทีที่นิวรณ์ดับจิตสงบนะงั้นมีวิธีสองด้านนะจิตที่ไม่สงบเนี่ยเพราะอันแรกมันมีนิวรณ์ ดันทําให้ฟุ้งออกไปอันที่สองมันมีอารมณ์มายั่ววิ่งตามอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ไปเราก็เลยทําสมถะทําได้ทั้งสองด้านทําให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขและไม่ยั่วกิเลสเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตอยู่กับพุทโธจิตก็สงบอันนี้ต้องคนที่ชอบพุทโธถ้าคนไหนเกลียดพุทโธจะไปฝืนพุทโธพุทโธนะจิตเกลียดจิตไม่สงบ คนไหนรู้ลมหายใจแล้วจิตมีความสุขเื่อรู้ลมหายใจไปเนี่ยน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตก็สงบนะไม่วิ่งจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ตีอยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้าทําอย่างนี้ไม่ถนัดก็ให้รู้ทางจิตที่เกิดนิวรณ์กรมันฉันทะความรักใคร่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเกิดขึ้นนะเช่นใจมันฟุ้งไปอยากได้โทรศัพท์มือถือ นะอยากได้ยี่ห้อใหม่ๆนะรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้เรารู้ทันเลยเนี่ยมีกามฉันทะใจมันตุกยั่วนะยั่วให้อยากเห็นรูปนะยั่วให้อยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายตาหูจมูกลิ้นกายนะไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสปศะแล้วก็เกิดความรักใคร่ปลูกพันพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปพะนี่เป็นตัวนิวรณ์เรียกว่ากามฉันทะพอใจในกาม เมื่อที่ออกไปกระทบอารมณ์แล้วก็ไม่พอใจนะมีความขัดเคืองไม่พอใจเกิดขึ้นเขาเรียกว่าพยาบาทพยาปาทะนะการที่จิตวิ่งจับอารมณ์โน่นทีจับอารมณ์นี้ทีเรียกว่าอุทธัจจะพอจับอารมณ์มากๆมันจะรําคาญก็มีกุกุจจะมีอุทธัจจะกุกุจจะนะฟุ้งมากคิดมากก็สงสัยมากนะมีจิกิจฉาก็เกิดนะมิจิกิจฉามากจิตก็ซึมไปเลยกะทีนะมิถะ เวลาฟุ้งมากๆแล้วมันจะพลิกกลับไปเป็นึมๆนะเนี่ยใจมันจะถูกกิเลสเหล่านี้ยั่วถูกนิวรณ์ห้าตัวมายั่วทำให้มันฟุ้งซ่านไปทำให้มันไม่สงบนะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตมันอยากได้อารมณ์ทางตานะไปเจออะไรที่ชอบใจให้รู้ทันว่าชอบใจนะได้ยินเสียงอย่างนี้เกลียดรู้ทันว่าใจไม่พอใจนะเนี่ยคอยรู้ทันไป จิตใจคิดนึกปรุงแต่งฟุ้งซ่านวุ่นวลดเลยรู้ทันว่ามันคิดนึกปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปนะนี่ก็สงบขึ้นมานะจิตใจสงสัยให้รู้ว่าสงสัยมัอนหลวงพ่อชอบสอนด้วยนะสงสัยให้รู้ว่าสงสัยถ้าสงสัยแล้วคิดหาคําตอบนะนิวรณ์เอาไปกินหมดเลยฟุ้งซ่านมากกว่าเก่าอีกสงสัยให้รู้ว่าสงสัยไว้ก่อนความสงสัยจะดับนะจิตจะสงบขึ้นมา หรือจิตหดหูนะท้อแท้ป้อแป้หดหูไม่มีเรี่ยวมีแรงนะก็รู้ทันมันไปนะรู้มันด้วยใจเป็นกลางอย่าอยากมีแรงรู้เล่นๆรู้สบายๆเดี๋ยวมันก็มีแรงขึ้นมาเองนะงั้นนิวรรนีเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันเราก็จะได้สมาธิขึ้นมาด้วยได้จิตที่สงบขึ้นมานะนี่เป็นวิธีที่ง่ายๆนะไม่ใช่สมาธิสมถ า, ากรรมฐานจะต้องเกิด ด้วยการที่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวเสมอไปกลับข้างซะ ก, ก็ได้แล้พระพุทธเจ้าก็เคยสอนกรรมฐานแบบนี้สอนคารวะคารวะชื่ออาชาติศัตรูใครเคยได้ยินชื่อใครรู้จักบ้างใครรู้จักเคยเจอไหม <c oughs> อ้าวลำบอกรู้จักรู้จักแต่ชื่อเนาะรู้จักชื่อรู้จักประวัติอาชาติศัตรูฆ้าพ่อฆ่าพระเจ้าพิมพิสารแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดิน นีเชื่อเทวทัศน์นะพอข้าพ่อตายนึกว่าจะมีความสุขหาความสุขไม่ได้เลยจิตใจเต็มไปด้วยความเลวร้อนเพราะว่าอาคุศนมันให้ผลก็กลัวคนอื่นจะมาฆ่าตัวเองสุดท้ายอาชาติศัตรูก็ถูกลูกของตัวเองฆ่าแบบเดียวกับที่ตัวเองฆ่าพ่อนะแล้วลูกอาชาติศัตรูก็ถูกลูกของลูกของลูกอาชาติศัตรูแหลกฆ่ากันมาเป็นทอดๆจนชาวบ้านทนไม่ไหวแล้ล้มราชวงนี้ไปเพราะลูกมันฆ่าพ่อทุกคนเลย อชาชาติตรูไม่สบายใจนะก็คิดว่าจะต้องไปคุยกับสมณะรา์หานักบวชมาคุยด้วยดีกว่าเที่ยวเที่ยวถามพวกอัมมัดนะว่าจะไปคุยกับใครดีเสนอใครมานะก็เคยไปคุยด้วยไม่ได้เรื่องสักกลายหมอชีวกรู้จักหมอชีวกชีวะกะโกมาราพัฒนะ์เสนอให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแกก็ไปนะพระเจ้าสอนนะเรื่องสามัญญาผลสูตร สอนเรือสามัญจะผลสุดมีเรื่องของการที่เรามีสติรู้นิวร์ถ้ามีสติรู้นิวรนะ์จิตจะสงบเพิ่มมาเพราะงั้นการที่เรามีสติคอยรู้ทันนิวร์ที่เกิดขึ้นในจิตนี่แหละจะทาให้ได้สมาธิขึ้นมานะง่ายไม่ยากอะไรอยู่ๆจะให้พวกเราไปนั่งเพ่งกรสินนะเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมหายใจเพ่งอะไรบางทีทาไม่ไหวชีวิตเราฟุ้งซ่านเกินไป แล้วเราก็ใช้สตินี่แหละมารู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตถ้าเรามีสติรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ดับเมื่อนิวรณ์ดับเนี่ยจิตสงบอัตโนมัตินะเพราะตัวที่ทําให้จิตไม่สงบก็คือนิวรณ์นั่นแหละนะเห็นไหมมันทําได้สองด้านนะถ้าภาวนาเป็นนะทำอะไรมันก็ถูกไปหมดเลยถ้าภาวนาไม่เป็นทําอะไรมันผิดไปหมดอนะนะั่นหลักเราต้องแม่นก่อนที่จะลงมือปฏิบตัติต้องเรียนสก่อนต้องฟังสก่อนให้รู้เรื่องแล้วถึงจะปฏิบัติ นี่พอจิตใจเราสงบแล้วอย่าอยู่เฉยนะหลวงพ่อเสียเวลาอยู่กับความสงบของจิตน2่ยี่สปนะีนานมากเพราะเราห่างครูบาอาจารยนะ์เราไม่มีใครสอนนะไม่รู้จะทํำยังไงก็ได้จะทําสมถะทำแต่ความสงบอยู่อย่างนั้นเองเสียเวลาอยู่ยี่สิบปีจนไปเจอหลวงปู่ดูลอายุตั้ง29แล้วนะเจอท่านสอนให้ดูจิตตัวเองค่อยมาหัดดูจิตตัวใจตัวเองนะ รู้รลยการดูจิตดูไปให้เป็นนะจะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาดูจิตให้มีสมาธิเนี่ยสมาธิมีสองแบบถ้าดูจิตแล้วเรารู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยจะได้สมาธิชนิดสงบเรียกว่าอารมณ์นูปนิชฌานจิตสงบแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวนะจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งนี่คือหลักของสมถกรรมฐานสมาธิชนิดที่2อนั่นชื่อลักคนูปนิชฌานจิตตั้งมั่น ล้ำพังจิตสงบเนี่ยจะไม่เกิดปัญญาหลายคนเข้าใจผิดเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดว่าต้องมีสมาธิถึงจะมีปัญญาในอภิธรรมก็สอนนะว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเราก็คิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆเราจะเกิดปัญญาอันนั้นเข้าใจผิดสมาธิมีสองแบบไม่ใช่มีแบบเดียวสมาธิที่คนส่วนใหญ่นั่งเช่นนั่งพุโทโธนั่งหายใจนั่งดูท้องพองยุบ นี่คือการทำสมาธิที่ให้จิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวทำไปเพื่อให้จิตสงบหรือดูจิตรู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ทำไปให้จิตสงบนะจิตยังไม่ตั้งมั่นต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่สองให้จิตตั้งมั่นตัวนี้แหละตัวสําคัญนะจิตตั้งมั่นเนื้อจิตมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันถอนตัวออกจากโลกของความคิด หลุดออกจากปรากฏการณ์ของรู ป, ปรธรรมนามธรรมมาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยเป็นจิตที่มีความสุขมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวอารมณ์เนี่ยเลื่อนไหลมานับจํานวนไม่ท้วนแต่จิตเป็นหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอารมณ์นับไม่ถ้วนไม่เหมือนเรื่องสมถกรรมฐานนะมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่ง สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นอารมณ์เลื่อนไหลมาทางทวารทาันะ้ง6จิตก็เป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเช่นตามองเห็นรูปนะจิตยินดียินร้ายขึ้นมานะรู้ทันจิตไม่หลงไปทางตาไม่ไหลไปทางตาพวกเราที่มาเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งแล้วสังเกตออกไหมเวลาเรามองอะไรเนี่ยจิตเราไหลไปสู่จุดที่เราดูเวลาดูทีวีรู้สึกไหมจิตไหลเข้าไปอยู่ในทีวี แล้วถัดจากไหลเข้าไปในทีวีไหลไปที่ไหนต่อไหลไปไลคิดไหลไปอยู่ในโลกของความคิดต่อเลยนะแล้วจิตไหลเข้าไปในทีวีได้ที่ก็หนีไปคิดต่อเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นเวลาดูก็หลงไปดูไหลไปดูเวลาฟังก็หลงไปฟังไหลไปฟังนะอย่างเราได้ยินเราเห็นนะเราเห็นสามีพันยาข้างบ้านนะเขาคุยอะไรกัน ซ, ซุบซิบซุบซิบนะเนี่ยเราอยากฟัง เวลาเราอยากฟังตั้งใจฟังฝึกที่ผโสดบางทีหาสายมาต่อฝาห้องติดกัน ฟ, ฟังนะขณะที่ตั้งใจฟั ง, จ, จ, งจิตจะหลงไปจิตจะไหลไปฟังจิตออกนอกนะที่หลวงปู่ดูนพูดเรื่องจิตออกนอกจิตออกนอกจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นเองจิตมันจะไหลออกไปเวลาดูจิตไหลไปดูหลงไปดูเวลาฟังจิตไหลไป ไปฟังหลงไปฟังนะเวลาได้กลิ่นจิตก็ไหลออกไปดมกลิ่นหลงไปกับกลิ่นอย่างเดินเดินอยู่ในบ้านได้กลิ่นเน่าเนาจะเที่ยวอยู่ที่ไหนอยากรู้ใช่ไหมนะอยากรู้อยากรู้นะเที่ยวดมดมไปด้วยนะจิตสองออกนอกไหลไปตามกลิ่นหนะลงไปตามกลิ่นเวลากินอาหารเพลินอยู่กับรถเลเพลินไปกับรถใครเวลากินข้าวแล้วใจลอยบ้างมีไหม ใจลอยแล้วรู้รสอาหารไหม อ, อุตสาไปร้านอาหารแพงนะแล้วอร่อยมากขึ้นชื่อลือชาคนน้นชิมคนนี้ชิมพอเราไปชิมเรานั่งใจลอยนะรสชาติเป็นไงไม่รู้แล้วอันนี้หลงไปคิดหลงไปคิดก็ลืมตัวเองกินอาหารแม้มันอร่อยเพลิอนอยู่กับรสจิตก็ไหลไปอยู่กับรสนะก็ลืมตัวเองแม้มันมีแต่เรื่องลืมตัวเองตลอดนะ นั้นจิตมันจะออกนอกตลอดออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทานจิตที่ไหลไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะอันนี้ไม่ใช่ทำสมาธิแบบให้สงบแล้วนะทำสมาธิแบบสงบเนี่ยจิตอาจจะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวแต่ไม่ตั้งมั่นนะเช่นรู้ลมหายใจจิตไหลไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจไม่ใช่ตั้งมั่นเห็นว่าร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะคนละแบบ ไปดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นว่าร่างกายมันพองร่างกายมันยุบจิตเป็นคนดูเนี่ยถ้าตั้งมั่นขึ้นมานะจะมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาถ้าไม่ตั้งมั่นจิตมันจะไหลไปไปอินกับเรื่องราวไปอินกับทุกสิ่งทุกอย่างไปอินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลตภะในธรรมารมณ์ธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ทางใจหนะลงไปไหลไปตลอดเวลา จิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆนี่แหละจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะถ้าตั้งมั่นมันก็ไม่โอนเอ็นไปนะโอนเอ็นไปทางตาโอนเอ็นไปทางหูทางใจนะคลอนแคลนไหลไปเรื่อยจิตที่ตั้งมั่นจะเป็นหนึ่งอยู่เป็นผู้รู้ผู้ ด, ดูเหมือนเราดูฟุตบอลเราเป็นคนดูเรานั่งบนหัชจันทร์นะเราก็ยังเป็นคนดูอยู่อย่างนี้แหละนะักฟุตบอลมันก็เปลี่ยนข้างไปเรื่อยเดี๋ยวลูกบอลไปอยู่กับข้างโน้นเดี๋ยวลูกบอลไปอยู่กับข้างนี้ นะเราดูได้นะเราเห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมามีนักฟุตบอลตั้งหลายคนนะเราดูได้หรือมัอนดูเร า, เราดูละครนะตัวละครเยอะแยะเลยบนเวทีเราเป็นคนดูสบายๆอยู่นอกเวทีเห็นตัวละครมันทํางานมันปรัดกันทํางานเวลาเล่นบอลก็มีคนหนึ่งใช่ไหมคล้องลูกบอลอยู่มีไหมสนามไหนเตะบอลสองลูกพร้อมกันอาจจะมีสนามเด็กเล่นแย่งกันเล่นนะ สนามแข่งไม่มีอ่ะมีลูกบอลลูกเดียวนะคนไหนมันคลองบอลอยู่เราก็ดูคนนั้นนะเวลาดูละครตัวไหนเป็นตัวเอกตัวเอกไม่ใช่พระเอกไม่ใช่นางเอกนะอาจจะเป็นผู้ร้ายก็ได้แต่กําลังมีบทบาทเด่นต้องดูตัวนี้ถึงจะรู้เรื่องละครเนี่ยเราก็จะไปดูตัวนี้แม้เราเปลี่ยนตัวดูไปเรื่อยตอนนี้ดูผู้ร้ายพูดตอนนี้ดูพระเอกพูดตอนนี้ดูนางเอกวิดไว้กับตู้วูอะไรเงี้ยนะเราดูทีละตัวทีละตัว เวลาที่เราเจริญสติเจริญปัญญานี้ก็เหมือนกันใจของเราเป็นหนึ่งเดียวเป็นคนดูนี่แหละเราเห็นมันแสดงไปการแสดงละครนี่แสดงทางรูปธรรมกนามธรรมนะตัวละครในกายในใจของเรามีจํานวนมากในร่างกายเรามีตัวละครเยอะแยะเลยนะในจิตใจเราก็มีตัวละครเยอะแยะเลยในร่างกายเราเนี่ยในกายเนี่ยมันมีรูปรูปแท้ๆอยู่18รูปนะสิชนิด จิตใจก็เป็นธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งนะเจตสิกคือความรู้สึกที่มาประกอบกับจิตมีห้าสิบสองอย่างนะรวมๆแล้วเท่าไหร่ละ่ะรวมเอาเองก็แล้วกัน <c oughs> หลวงพ่อก็ตกเลขแล้วแต่ น, นี้ให้มาคิดเลขสอบตกเนี่ยตัวละครมีจำนวนมากนะตัวละครที่แสดงขึ้นมาในกายในจิตมีเยอะแยะเลยตัวไหนเด่นรู้ตัวนั้นแต่ใจเรานนเป็นหนึ่งเป็นคนดู ที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อสังเกตมานานนะแล้วก็พบอย่างหนึ่งนะว่าถ้าจิตถูกนะกรรมฐานอะไรก็ถูกถ้าจิตผิดนะกรรมฐานอะไรก็ผิดนะไม่ใช่ว่าอย่างหลวงพ่อฝึกมาจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลวงพ่อไม่ได้เห็นว่าพุทโธพิจารณกายนี่ถูกเสมอไปนะไม่ได้เห็นอย่างนั้นจะรู้เลยว่าถ้าจิตถูกเนะี่ยกรรมฐานอะไรก็ได้ถ้าจิตผิดนะกรรมฐานอะไรก็ผิดเหมือนกันนะ นั้นอยู่ที่จิตของเรานี่เองที่เราต้องพัฒนาขึ้นมาจนมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่จะให้ได้จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือรู้ทันเวลาจิตไหลไปจิตไหลไปดูรู้ทันจิตไหลไปฟังรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันโดยเฉพาะจิตไหลไปคิดน่นเกิดบ่อยที่สุดเกิดทั้งวันเกิดทั้งหลับเกิดทั้งตื่นมีไหลไปคิดตลอดเวลาให้พวกเราหัดรู้จักจิตที่ไหลไปคิดไม่ให้ดี ถ้าพวกเราหัดรู้จักจิตที่ไหลไปคิดจนชำนิชำนาญจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้นะจิตจะถอนตัวออกจากความคิดเมื่อจิตหลุดออกจากโลกของความคิดจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นหลวงพ่อหัดครั้งแรกนะตอนเด็กๆก็หัดแต่สมถะทำพุทธโธหายใจไปเรื่อยนะได้สงบจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้เหมือนกันแต่เราไม่รู้จักว่าจะเอาไปทำประโยชน์อะไรนะก็ทิ้งไปเฉยๆทุกวันก็ทำสงบก็มาตั้งมั่นขึ้นมาด้วยแต่ว่า เดินปัญญาไม่เป็นนี่พอมาค่อยมหัดมหัดแล้วเห็นเลยจิตมันไหลทีแรกจะมาหัดดูจิตว่าจิตอยู่ที่ไหนหลวงปู่บอกให้ดูจิตหลวงปู่ดุลบอกให้ดูจิตนะตอนที่เห็นจิตผู้รู้ขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยนึกบทสวดมนต์อยู่ทีแรกดูร่างกายก็ไม่เห็นจิตดูเวทนาก็ไม่เห็นจิตมันนึกถึงบทสวดมนต์พุทโธสุสุโธกรุณามหันนโว พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันต์นบใจมันเห็นนะเห็นความคิดเนี่ยผุดความคิดบวดสวดมนตะ์นั่นเองผุดขึ้นมาใจเป็นคนดูอยู่ยจิตถอนตัวปั๊บออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเลยพอจิตถอนตัวมาเลยนึกขึ้นได้อันนี้ก็เคยเห็นอยู่แล้วตอนที่ทําสมาธินะทำสมาธิจิตสงบจิตรวมแล้ตัวนี้มันโปลแต่ถ้าทําสมาธิผิดนะจิตจะไหลไปเคลิ้มออกไปข้างนอกแล้วไปเกิดนิมม่งนิมิตอะไรตอนเด็ก นั่งสมาธิแล้วก็เห็นผีเห็นอะไรองั้นไปเห็นเทวดาอ like ะไรย่างนั้นนั้นจิตมันหลอนนะไม่ดีนะเราต้องมาฝึกนะทั้ทงจิตมันเป็นคนดูวิธีที่จะรู้ว่าจิตเป็นคนดูได้ดีที่สุดนะั้นรู้ว่าจิตมันคิดงั้นเวลาที่เราฝึกกรรมฐานนะเราอาจจะพุโทโธก็ได้หัดหายใจก็ได้แต่ไม่ใช่เพื่อให้จิตไปอยู่กับพุโทโธไม่ใช่เพื่อให้จิตไปอยู่กับลมหายใจไม่ใช่เพื่อให้จิตไปอยู่ที่ท้องผ่องยุบเราพุโทโธไปหายใจไ ป, ไ ป, ไปดูพองยุบไปนั้นแล้วคอยรู้ถ่านจิต จิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยตรงที่เรารู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดนั่นแหละจิตผู้รู้จะเกิดเพราะจิตรู้กับจิตคิดนั้นมันกลับข้างกันเมื่อไหรเป็นจิตรู้เ ม, มื่อนั้นไม่เป็นจิตคิดเ ม, มื่อไรเป็นจิตคิดเมื่อนั้นไม่เป็นจิตรู้จิตรู้กับจิตคิ ด, ค ด, คดคก็เหมือนความสว่างกับความมืดทันทีที่ความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปก็คแค่นั้นเองนะนั้นเราคอยรู้ทันเวลาจิตมันคิดถ้ารู้ทันเมื่อไร่จิตมันก็สว่างขึ้นมา ใครรู้สึกไหมเวลารู้ตัวแล้วมันสว่างสงบสะอาดสว่างขึ้นมานะแต่ไม่บริสุทธิ์ยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์กิเลสยังนอนเนื่องอยู่ในกมวลแสันดานเป็นคําสุภาพนะคำว่าสันดานในกฎหมายก็มีเรียก อ, อย่างพวกเราเนี่ยมีพ่อมีแม่นะเราเนี่ยเป็นผู้สืบสันดานนะสันดานดีสันดาดนดาเร็วอะไรต่ออะไรสืบกันมานะลูกเราก็เป็นผู้สืบสันดานของเราอีกทีเนี่ย มันจะซ่อนอยู่กิเลสจะซ่อนอยู่ในสันดานเรานะตัวเนี้ต้องขุดคุยต่อไปอีกไม่ใช่ทําสมาธิจิตตั้งมั่นสว่างแล้วไม่มีกิเลสแล้วก็พอใจงั้นเวลาที่เราฝึกเจนทั้งจิตตั้งมั่นจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตสงบสว่างสบายมีความสุขขึ้นมาบางทีมีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมาอย่านอนเนื่องอยู่แค่นี้อย่าหยุดอยู่แค่นี้กิเลสที่ยังซ่อนอยู่ในจิตในใจนั้นยังมีอีกมหาศาล อย่าอย่านิ่งนอนใจกับความสุขความสงบจากสมาธินะไม่ว่าสมาธิสงบหรือสมาธิตั้งมั่นก็ตามสมาธิตั้งมั่นก็สงบนะแต่ตัวจิตสงบแต่อารมณ์ไม่สงบตัวสมาธิสมถะตัวสมาธิสงบนะตัวจิตก็สงบอารมณ์ก็สงบหรืออันเดียวอารมณ์อันเดียวแต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตสงบแต่อารมณ์ไม่สงบไม่เหมือนกันต้องฝึกให้ได้นะถ้าได้ทั้งสองแบบดีที่สุด ถ้าได้แบบเดียวเอาแบบหลังนะแบบแบบหลังเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยบรรลุพระอราหันต์เราจะเป็นพระอราหันต์ชนิดสุขาวิปัสสกะทำฌานไม่เก่งหรอกแห้งแล้งแต่ก็พ้นกิเลสได้งั้นตัวสำคัญมากเราต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้ได้ถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นอย่ามาพูดเรื่องเดินปัญญาไม่มีทางหรอกจะเอาอะไรไปเดินปัญญาจิตถูกกิเลสครอบอยู่แท้ๆ แ, แล้วจิตจะไปเจริญปัญญาได้ยังไง งั้นอย่างเราทําจิตสงบนะสบายเพลินราคะแทรกอยู่มองไม่เห็นใช้ไม่ได้เลยแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยในขณะที่จิตตั้งมั่นอยู่นั้นนะกิเลสไม่ทํางานกิเลสทํางานไม่ได้จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาตรงที่จิตมีสติรู้ตัวอยู่นะกิเลสไม่มีหรอกขนาดนั้นตัดจากนั้นเรามาขุดกิเลสในกำมลสนั้นของเรานะมาหัดดูไปสันดาลของเราลึกที่สุดเลยนะรักตัวเองมันรักตัวเองที่สุดเลย ตอนนี้หัดดูหัดภาวนาแล้วรู้สึกยังว่ามันรักตัวเองนะทำอะไรทำอะไรนะั้นมันซ่อนกูไว้ตลอดเวลาหลยนะเบื้องหลังของทุกสิ่งทุกอย่างนะก็กูทางนั้นเลยกูเบื้องหลังของมันกูซ่อนอยู่ให้คอยรู้ทันนะดูลงไปที่กายนะมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายมันทำงาน เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดอะไรเงี้ยเห็นร่างกายมันทำไปจิตเป็นคนดูนะหรือจิตมันทำงานทางใจจิตทำงานทางใจทำได้สองงานอันนึงหนีไปคิดอันนึงหนีไปเพ่งนะงั้นไม่เผลอก็เพ่งงานทางใจของจิตทั่วๆไปนะส่วนใหญ่จะเผลอนึกออกมเวลานักปฏิบัติจะปฏิบัติก็เพ่งเวลาไม่ปฏิบัติก็เผลองั้นะจิตทำงานทางใจเนี่ยส่วนใหญ่ทาแค่เผลอกับเพ่งนะั่นะ รู้ทันมันอีกนะจิตเผลอไปเรารู้ทั น, นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูจิตเพ่งอยู่ก็รู้ทันนะอย่าไปอยากหายเพ่งไม่เลิกล้าง่ายๆหรอกถ้าติดเพ่งนะแต่ถ้าเผลอเนี่ยทันทีที่รู้ว่าเผลอนะเผลอดับทันทีแต่เพ่งอยู่นี่รู้ว่าเพ่งไม่ดับหรอกเพราะเพ่งไม่ใช่อากุศลเผลอเป็นอากุศลเวลาเรามีสติเนี่ยกุศลไม่จําเป็นต้องดับในการเพ่งนี่เห็นไหมเราเป็นการควบคุมรักษาจิตใจเป็นคนดีไหม ควบภูมิตัวเองอยู่เป็นคนดีนะแล้วทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์แบบคนดีถ้าเพ่งแรงก็ทุกข์แรงนะเพ่งเบาก็ทุกข์เบาแต่ว่าเป็นคนดีไม่ดีแต่อย่าเลิกเพ่งนะเลิกแพ่งเมื่อไหร่จะเป็นคนร้ายยิ่งกว่าคนร้ายทั้งหลายมันจะอารมณ์ร้ายยิ่งกว่าคนทั่วๆไปเพราะมันเก็บกดมานานแล้วนี่เราค่อยมาฝึกนะดูกายเขาทํางานดูใจมันทํางานร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำโน่นทํานี่ เรามีสติรู้ไปเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันกินมันทำมันดื่มมันพูดเราเป็นแค่คนดูเราจะรู้สึกเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเนี้ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุนะเปลือนผุนจนตัวหนึ่งเคลื่อนไหวไปมาไม่ใช่ตัวเราเนี่ถอนความเห็นผิดไปเรื่อยทุกวันหัดดูไปเรื่อยวันหนึ่งก็ถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเรานะส่วนใจเนี่ยคนที่ภาวนาไม่เป็นใจจะคิดทั้งวัน ถ้าภาวนาเป็นพอเริ่มภาวนาก็เพ่งถ้าไม่ภาวนาก็คิดนะคอยรู้ทันเวลาใจมันไปทํางานใจมันไปคิดก็รู้ทันใจมันเพ่งอยู่ก็รู้ทันนะรู้เฉยๆอย่าอยากหายเพ่งยิ่งอยากหายยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งยิ่งเครียดหนักแค่รู้เพ่งมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ดับนะตรงที่เผลอเนี่ยทันทีที่รู้ว่าเผลอปุ๊บนะตรงที่รวมันไปคิดนะเผลอไปคิดนะทันทีที่รู้ปุ๊มันดับเลยมีครูบาอาจารย์ชั้นยอดอยู่องค์หนึ่งนะคนไม่ค่อย ไม่ค่อยคิดว่าท่านจะเก่งมากนะคือหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยหลวงพ่อพุทธเนี่ยบางคนไปดูถูกท่านว่าเป็นพระในเมืองนะความจริงท่านเก่งทั้งสมาธิทั้งปัญญานะท่านเคยสอนบบกรรมฐ า, านนะให้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติเนี่ยแต่พวกเราเวลาจําท่านพูดนะเราจะจําแค่ให้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดสบายเลยนะไม่ใช่นะ ตกคำสอนของท่านไปท่านบอกให้มีสติรู sure ้มันไปเรื่อยร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดนีเรามีสติรู้ทันจิตใจมันคิดนึกปรุงแต่งเรามีสติรู้ทันถ้าเรามีสติรู้ทันเราจะเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดน่ะไม่ใช่ตัวเราถ้าเรามีสติรู้ทันเราจะเห็นว่าจิตที่มันคิดได้นะมันก็ไม่ใช่ตัวเราะเดี๋ยวมันก็คิดดีมันก็คิดร้ายสั่งมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้นี่เฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะ อย่างนี้ไม่ไม่ยากอะไรยากไหมเนี่ยหลวงพ่อไปฟังมาจากหลวงพ่อพุทธนะตอนแรกว่ยหลวงพ่อพุทธพระในเมืองนะแต่ว่าพูดรู้เรื่องนะบางคนคิดว่าท่านภาวนาไม่ไม่เก่งบางจริงสุดๆองค์หนึ่งเลยนะแต่ท่านอาจจะมาสุดทีหลังก็ได้หลวงพ่อเคยเจอท่านท่านก็เมื่อปี 2-5 งนหะไปเจอท่านท่านยังบอกเลยว่าคุณกับอาตมามาตกลงกัน ใครทำลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันท่านพูดอย่างนี้นะแล้วมาประมาณปีอะไรสากว่าใกล้ๆท่านจะมรณภาพนะไปเจอท่านครั้งสุดท้ายท่านประเทศที่องค์การโทรศัพท์ที่หัวหมุมแจ้งวัฒนานี่แหละตอนนั้นหลวงพ่ออยู่องค์การโทรศัพท์นะพอท่านเทศเสร็จเราก็คานเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานละหลังๆไม่เจอท่านตั้งหลายปีนะหาตัวท่านไม่เจอท่านเป็นมะเร็ง นะท่านต้องไปหลบซ่อนตัวอยู่เพราะอยู่ที่วัดเนี่ยโยมชวนกุยทั้งวันเลยนั่เป็นมะเร็งท่านพูดไม่ไหวนะบอกท่านหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อตั้งนานแนละ้วนะท่านบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกนะท่านบอกอย่างนี้ว่กลับเรียนท่านอีกหลวงพ่อผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลยนะโอ้จิตท่านนะห้าวหารขึ้นมาฉับพลันเลยที่กําลังป้อแป้ไม่ค่อยสบายเหนื่อยเทศจะเหนื่อยแล้วนะ จิตท่านห้าวหารสว่างสบายขึ้นมานะเข้มแข็งขึ้นมาเลยท่านบอกเลยว่าจิตผู้รู้เปรียบเหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองเนี่ยเวิร์ดใบเวิร์เลยนะตัวเนี้ยจาแม่นเปรี้ยวเลยโห oh, ฟังเข้าไปทีเดียวนะกระเทือนเข้าถึงใจเลยจิตผู้รู้เนี่ยเปรียบเหมือนฟองไข่คือจิตเรานี่เองเหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองนะ ฟังเท่านี้เราก็รู้แล้วว่าท่านภาวนาขนาดไหนไม่ธรรมดาหรอกท่านมาถึงจุดนี้ได้นะท่านทําสมาธิมาก่อนนะสุดท้ายท่านก็กลั่นกรองคําสอนออกมาเหลือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดให้มีสตินี่แหละนะเฉะนั้นพวกเราลองหัดดูนะนี้เป็นกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อพุธนี่แหละท่านกลั่นกรองมาสอนคนในเมืองหลวงพ่อไปเรียนกับท่านหลวงพ่อก็คนในเมืองนะนี่เป็นคนเมืองเหมือนพวกเรานี่แหละ รับราชการอยู่ตอนนั้นนะอยู่สํานักนายกนะกินเงินเดือนธรรมดานี่แหละนะไม่มนะีกินนอกกินในไม่มีนะกินนอกกินในพาวนาไม่ขึ้นเนาะนะไม่สุดจริตไม่ขึ้นพานายากอยากงงนะพวกเราโกงแล้วมันบาปกรรมเนี่ยมันแรงมันสืบทอดไปถึงลูกถึงหลานเราด้วยไม่ใช่ว่าบาปของเราไปตกแก่ลูกหลานนะ แต่จิตของเราที่เป็นบาปเนี่ยไปดึงจิตชั่วๆมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานเรานะเพราะงั้นเขาต้องมารับกรรมของเขาด้วยมันบาปกรรมมันรับแทนกันไม่ได้หรอกนะงั้นเรามาฝึกตัวเองให้สะอาดหมดจดนะมาฝึกจิตฝึกใจของตนเองโดยการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติรู้ทันอะไรยืนอะไรเดินอะไรนั่งอะไรนอนนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำนะจิตใจร่างกายพูดด้วยนะ จิตใจมันคิดถ้านักปฏิบัติก็แถมเลยจิตใจเพ่งนะมี2 อ, อันนะถ้าคนทั่วๆไปไม่เคยปฏิบัติมีแต่คิดนักปฏิบัติจะมีแต่เพ่งแต่ก่อนนี้ตระเวนไปดูมีแต่นักเพ่งนะมีแต่นักเพ่งหานักรู้ไม่ค่อยมีนะเนี่ยเรามาฝึกตัวเองให้เป็นผู้รู้ขึ้นมาวิธีฝึกให้ตัวเองเป็นผู้รู้ขั้นต้นรักษาศีล5ขั้นที่สองนะ ฝึกจิตให้อยู่ในอารมณ์ันเดียวที่สบายก็ได้มีสติรู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตก็ได้จิตจะได้สงบจิตสงบแล้วจะได้มีแรงเมื่อจิตมีเรื่องมีแรงแล้วค่อยๆดูไปร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําเป็นของถูกรู้ถูกดูนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทํ า, นะ า, า, ทนนทาพูดอยู่นี่จิตจิตเป็นคนดนะูแล้วก็จิตใจไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ดู จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อย่างนี้นะจะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจจะคิดเขาก็คิดของของเขาได้เองร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาเนี่ยเราสั่งจิตเป็นคนสั่งให้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาแต่มันก็เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนเราสั่งให้หุ่นยนต์ตัวหนึ่งทำงานหุ่นยนต์ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราถึงจะสั่งมันได้ จิตสั่งร่างกายได้นะแต่สั่งได้ไม่ตลอดเวลาสั่งได้เป็นคราวๆอย่างตอนหลับเนี่ยสั่งร่างกายไม่ได้อย่างจะกระสั่งให้มันกระดิกมือมันไม่กระดิกแต่ถ้าเราตื่นอยู end, i i ่อย่างนี <RY> ้นะยังส no ั no ่งได้แต่ถ้าเป็นโรคบางโรคก็สั่งไม่ได้นะสั่นๆอย่าเงี้ยบอกอย่าสั่นนะอย่าสั่นมันไม่เชื่อนะงั้นบางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้แต่ไม่ว่าสั่งได้หรือสั่งไม่ได้มันก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้น งันวันนี้พวกเรามาฝึกตัวเองนะมาฝึกใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำใจเราเป็นคนดูเห็นจิตใจมันคิดใจเราเป็นคนดูถ้ามันไปเพ่งตรงที่อยากดูให้ชัดนั่นแหละจะกลายเป็นผู้เพ่งอยากเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดให้ชัดๆก็อย่าไปเพ่งร่างกายอยากเห็นจิตใจคิดให้ชัดๆก็ยเพ่งจิตพอไปเพ่งจิตอะไรจะเกิดขึ้นจิตก็ไม่คิดอะไรจิตก็นิ่ง จิตมันเหนียมนะมันขี้อายถ้ามันหนีไปคิดเรารู้ทันนะีมันเลิกเลยไม่กล้าคิดต่อหน้าเราหรอกเหนะมือนผีหลอกนะสังขารมันปรุงเหมือนผีหลอกจริงถ้ามีสติอยู่ไม่กล้าปรุงหรอกนะปรุงชั่วนะไม่กล้านะถ้ามีสติอยู่ได้ปรุงดีอยู่วันนี้เราเท่านี้ก็พอนะยากไปไหมไม่ยากหรอกแล้วธรรมะอันนี้เนะี่ยหลวง พ, พ่อปุตก็เคยเออกมาเทศที่นี่ด้วยซ้ําไปนะเรื่องยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดนี่แหละ หลวงพ่อพูดนี่แหละท่านสั่งไว้นะ่ะว่าอย่าทิ้งสาลาลุงชินนะท่านสั่งไว้อย่างนี้นะแล้วก็ตอนแรกท่านนะ่ะพันศาน้อยกว่าหลวงปู่เลี้ยนนะเสร็จแล้วท่านไม่สบายท่านต้องไปก่อนท่านก็ฝากหลวงปู่เลียนนะว่าฝากหลวงปู่อ่ะอย่าทิ้งสาราลุงชินนะาให้บอกต่อๆกันไว้ท่านสั่งไว้อย่างนี้น ะ, ะเชิญ นมาส ก, การะคะ่ะก็จะมารายงานผลการปฏิบัตินะคะก็คือเมื่อประมาณ2เดือนก่อนนะคะ เ, เกิดอุบัติเหตุนะคะคื อ, อกระจกเราสองแถวอะคะ่ะหนีบนิ้วแล้วก็ เ, เหมือนกับกายกับความเจ็บปวดแล้วกับ เ, เห็นใจเป็นคนรู้คนดูอะคะ่ะแบบเป็นเองนะน่าฝึกอย่างที่หลวงพ่อสอนนะั้นเราจะทดสอบตัวเองเวลาเกิดอุบัติเหตุ แต่เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามไปทดสอบเล่นนะค่ะแล้วก็แบบว่าเวลามีของตกหรือว่าแบบว่าเหมือนกับกําลังจะเกิดอุบัติเหตุเวลาข้ามถนนอะไรแบบเนี้ยมันก็แบบรู้ทันขึ้นมาหรือว่าแบบของจะตกแบบนี้ยก็แบบแบบรู้ทันแล้วก็แบบหยิบหยิบได้แบบโอ้ชาพันอะไรแบบนี้อะนั่นแหละเวลาที่เราฝึกนะสติอัตโนมัติมันเกิดแล้ว นัสมาธิอัตโนมัติก็เกิดสังเกตไหมเวลาเกิดอุบัติเหตุใจมันเด่นขึ้นมาเลยใจมันดีดตัวตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเลยนะนี่แหละฝึกอย่างที่หลวงพ่อสอนเรียกเป็นอย่างนี้แหละถ้าฝึกผิดนะพอเกิดอุบัติเหตุนะจิตรวมวุ้บสว่างว่างอยู่ข้างหน้าเลยนาะไปปรหมโลกเลยนั่นเป็นสมถะของเรานี้ไม่เป็นอย่างนั้นเราฝึกเจริญสตินะสมมติมว่ารถกำลังจะทับเลยรู้สึกตัวตลอดเลยตัวนี้ไม่ใช่เราเลย ใจเป็นคนดูเกิดมันถึงคราวนะรถทับจริงๆนะเราอาจจะนนดผ่านเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ผลการปฏิบัตินะคะก็รู้ทันเร็วขึ้นมากเลยค่ะก็แล้วก็พยายามทำในรูปแบบเท่าที่ทำได้แล้วก็เวลาทำงานเนี้ยค่ะแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากก็จะฟังหลวงพ่อไปด้วยแล้วก็ใจไม่จะเกิดปิติบ่อยออก็จะรู้ <นะ S 2> ทันเป็นระยะยแค่รู้ เ, เห็นไหมปิติเกิดได้เอง ค่ะกระเด้เงดีอย่างนี้ค่อยสมเป็นลูกหลานหลวงพ่อหน่อยนะ <c oughs> ถ้าประเภทถามว่าขี้เกียจภาวนาจะทำยังไงฟังแล้วอย่างนี้ไม่นับญาติด้วยเลยหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำไหมคะไปฝึกต่อนะดูง่ายๆว่าจิตของเราขนาดนี้เหมือนกับจิตตอนที่ไม่ภาวนาไหมนะ <c oughs> ถ้ามีความต่างมีน้ำหนักเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่ามีการเพ่งอยู่นะ อย่างจิตขนาดนี้ก็จิตตอนที่ยังไม่ได้ภาวนาไม่เคยภาวนามาก่อนนะจิตของคนไม่ภาวนาไม่มีน้ำหนักอะไรหรอกนะมันไม่ได้จงใจหนักทีเดียวหนักบาปไปเลยนะขอบพระคุณครับอ่ะตตาไกครับกับนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาได้ยี่สิบปียี่สิบกว่าปีแต่ก็ ก็คงจะเป็นติดสมถะค่อนข้างเยอะเพราะว่าไม่ได้พบครูบาอาจารย์ที่สอนกับอาจารย์ไม่เสียหลายนะสติเราติดสมถะ20ปีเราทำสม่าเสมอเนี่ยพอเราเดินปัญญาเนี่ยสมาธิที่เราทำไว้มันจะมาช่วยเราจะาทำได้ดีนะก็พอปีที่แล้วเนี่ยไปไปปีได้ฟังซีดีหลวงพ่อกออ็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าทางนี้น่าจะถูกแล้วก็เห็น แล้วก็ลองปฏิบัติดูก็รู้สึกว่าจิตมันไวขึ้นออื ม, มีอยู่วันหนึ่งผมผมลืมผมคิดว่าผมเอคิดว่ายางจะรั่วแล้วลตอนเช้านั้นก็ไปดูยางมันรั่วจริงๆก็คิดว่าเออจิตมันทำไมไวอย่างงี้ออืแ ล, ล้วรู้ว่าเอออันนั้นเป็นผลจากสมาธินะครับจิตฝึกสมาธิมากๆบทีมันมียางอย่างรู้นะครับรู้อนาคตรูร้อะไรอย่างนี้หลวงพ่อครับคือตอนนี้ผม ผมมาลองปฏิบัติสายของหลวงพ่อเทียนอืโดยรู้รู้สึกตัวอืแต่ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยจะก้าวหน้าเท่าไหร่ก็ฝึกเคลื่อนไหวแล้วก็ค่อยรู้ท<ป>ันจิตที่หลงนะครับผมไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วรู้มือนะครั บ, ครบเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหลงไปคิดเหลวงพ่อครับถามถามคุถามว่าอย่างนี้คือเรื่องที่คำว่าโยนิโสมณัสิการเนี่ยบางคนเขาแปลว่าเอ การทำอุบายในใจอย่างหยาบๆไม่ทราบว่ามันจะตรงหรือเปล่าเพราะว่าไม่กันจานโงนี้สมนสิการเนี่ยเป็นความแยบคายฉลาดแยบคายนะในการสังเกตนะสังเกตปรากฏการในกายในใจของเราเนี่ยโดยเทียบเคียงเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเช่นเราภาวนาแล้วใจเราโล่งว่างสบาย เดือนหนึ่งแล้วก็ยังสบายอยู่อย่างเงี้ยถ้าเรามีโยนิโสมนัสิการนะน่าจ ะ, ฉะเฉลียวใจเป็นความฉเฉลียวใจอะว่าคงจะไปผิดอะไรสักอย่างแะทําไมมันเที่ยงพระพุทธเจ้าสอนว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงทําไมภาวะอันนี้จิตสว่างว่างแล้วเที่ยงอยู่อย่างนี้ตลอดนะเนี่ยคงจะภานาผิดแล้วละ่ะเนี่ยโยนิโสมนัสิการไม่ใช่คิดเอาเองนะต้องมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณา ถ้าขาดธรรมะของผู้เจ้าเป็นบรรทัดฐานเนี่ยไม่เรียกว่าโยนิโสมนาสิการเรียกว่าฟุ้งซ่านเลยล่ะครับหลวงพ่อมีอะไรจะชี้แนะเพิ่มเติมไหมครับก็ทำสมาธิมาเยอะแล้วก็ดูเอาเนา ะ, ะจะดูได้นานกว่าคนอื่นครับคื อ, อ, อตอนที่ที่หลวงพ่อเทศไปอยู่คำจะบอกว่าปัญญาเนี่ยมันจะพิจารณาไตรลักษณ์ขึ้นมา คราวนี้ผมผมยังไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สามารถจะแยกรูปแยกนามมันก็ได้ครับออต้องหัดแยกรูปแยกนามนะใจมหาบัวพูดถึงขนาดว่าถ้าแยกรูปแลแยกนามไม่เป็นน่ยอย่ามาคุยอวดเรื่องเจริญปัญญาเลยไม่มีหรอกวิธีแยกรูปแยกนามเนี่ยสมมติเราเห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเราเป็นแค่คนดูนะค่อยๆฝึกเนี่ยหรือดูความรู้สึกก็ได้ความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นแนละเห็นเลยความรู้สึกโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาใจอยู่ต่างหากนะใจกับความโกรธคนล่าง นี่ก็หัดแยกแล้วละนะค่อยดูไปหรือความปวดเมื่อยมันเกิดขึ้นในขาดูลงไปเลยขาก็อยู่อันหนึ่งความปวดเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งคนละอันกันนี่ก็แยกขันนะจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเนี่ยฝึกอย่างนี้ถึงจะแยกรูปแยกนามได้ครับอ่ะต่อไปกราบธรรมสการณ์กราบนมัมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขอส่งการบ้านรายไตรมาสนะคะ หนูขอถวายผลการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาและอจริยบูพาบูชาค่ะแด่หลวงพ่อปราโมด้วยนะคะเจ้าค่ะคือหนูได้ส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งแรกที่สวนสัตยธรรมนะคะแล้วก็ได้หลักปฏิบัติมาเดือนมิถุนเดือนกรกฎาก็ไปซุ่มภาวนาที่สถานที่สัปเระแห่งหนึ่งค่ะค่ะทีนี้ก็เห็นสภาวะแยกกันนะคะระหว่างที่เดินไป เดินจงกรมไปโรงทานนะคะรู้สึกว่ากายมันหิว<ม>ก็จะเห็นอาการทางกายว่าเออรู้สึกว่าน้ําย่อยเนี่ยมันผลิตออกมาแล้วก็เออ<ม>เกิดท้องร้องอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เห็นว่าใจมันอยากมันจะเป็นอีกอย่างนึงออค่ะแล้ว ก, แวก็แล้วก็มีจิตอีกดวงนึงเป็นคนรู้สภาวะพวกนี้ออนี่นนนค่ะทีนี้หนูก็เลยเออตักอาหารรวมกันแล้วก็ตั้งใจว่าเหมือนกับเออ พระที่ฉันในบาทนะคะก็ทานไปก็ปลื้มใจก็รู้สึกว่ากูเก่งค่ะต่อไปเดือนสิงหานะคะก็ตั้งใจภาวนาคือจะรักษาศีลให้แบบใสบริสุทธิ์แล้วนะคะพอทำได้แล้วมันรู้สึกว่าพาวออฟคือแบบภูมิใจอะค่ะคือมันหนักที่งกวกูเก่งคือรู้สึกว่ากูวิเศษค่ะกว่าชาบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปติดดีซะแล้วค่ะพอรู้ทันก็ ตัวมันก็เลิกพองนะคะคือมันพองนี่มันรู้สึกได้จริงอะค่ะมันเป็นสภาวะเป็นสิแล้วมันน<ช>่าเกลียดรู้สึกไหมใช่ค่ะรู้สึกว่าทําไมตัวเองโง่อย่างนี้ภาวนาแล้วแบบได้ฟังซีดีหลวงพ่อแผ่นหนึ่งอะค่ะบอกว่าภาวนายัางไงกิเลดนังไม่ทะลอกเงี้ยค่ะมันฟังแล้วมันรู้สึกสะท้านสะเทือนมันก็แทกใจอะคะ่กะก็เลยไปดูใหม่ทีนี้ต่อมานะคะก็เห็นเห็นอาการที่จิตมันปรุง อากุศลเข้ามาครอบจิตอะค่ะคือหนูเป็นพนัก ง, งานเอกชนบริษัทหนึ่งนะคะ ม, มีเจ้านายทั้งหมดเจดปดคนแล้วรู้สึกว่าทุกทุกมากอะคะ่ะที่ทุกเพราะไม่เห็นว่าหนูไปแบกพวกเขาไว้บนหัวอะคะ่ะ <laughs> คือมันมันแย่ตรงนี้อะคะ่ะสังเกตไหมเราแบกไว้เหรอ เช่คือมันเป็นเองอะค่ะคือเรารู้สึกเองอะค่ะแต่แบบไว้เราก็ภูมิใจอีกนะใช่ค่ะเห็นไหมมันก็แอบภูมิใจจนได้เลยใช่ค่ะคราวนี้หนูก็เลยแบบเห็นอาการที่จิตมันปรุงทุกข์ก็คือขณะที่รับโทรศัพท์ให้เจ้านายนะคะหนูก็ไปเรียนท่านว่าคนนั้นคนนี้บริษัทนี้โทรมาและจะให้หนูรับเรื่องแทนไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าทำน้ําเสียงไม่ดีใส่อ่ะหนูก็เห็นเลยว่ามัน โกรธรู้สึกไม่พอใจอย่างแรงนะแล้วก็เห็นเห็นมันปรุงกุศลขึ้นมาแบบจะว่าเขาก็เลยพอเห็นแล้วมันสว่างว่าบขึ้นมาเลยค่ะคือรทันจิตที่ปรุอกุศลนะคะค่ะก็มาวันนี้ก็อยากจะกราบขอบพระคุณธรรมะของพระพุทธเจ้าอนะของพระพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดผ่านของพ่อนะคะคือทำให้คนอย่างหนูเนี่ยคืออาจฐานขึ้นนะคะ คือเข้มแข็งขึ้นอืก็อยากจะออาอรัธนาธรรมของหลวงพ่อนะคะก็คือตรงนี้หนูหลงลงไปปรุงแล้วค่ะปรุงกันบ้านอืคืออยากให้หลวงพ่อเอออ่มืมเวลาความทุกข์เนี่ยมันจู่โจมเรานะคะขึ้นที่จิตเนี่ยมันไม่เคยยื่นแบบโน้ติสเลยว่าจะทุกข์แล้วนะจะทุกข์แล้วนะรู้ไหมอะไรเงี้ยนะขอขออารัธนาธรรมมากของหลวงพ่อที่แบบว่า เป็นเสร็จเด็ดข่ะนะคะมีอะไรที่จะแนะนําสังสอนหนูขอรัตนาธรรมด้วยนะคะ <c oughs> แล้วมาวันนี้หนูก็อยากจะให้สติสมาธิปัญญานะต้องฝึกเอาค่ะ <c oughs> นะขอกันไม่ได้ดอกค่ะอะว่าไงแล้วก็อยากจะให้หลวงพ่อนํานั่งสมาธิแบบเอตั้งมั่นให้นิดนึงนะคะแล้ววันนี้หนูพาแม่มาด้วยอยากให้หลวงพ่อแนะนําธรรมะง่ายๆสําสหรับแม่ะคะ่ะ แม่ได้ฟังซีดีไหมฟังค่ะหนูให้ฟังค่ะแม่แม่ฟุ้งซ่านไหมเออค่ะใช่ค่ะแล้วก็หลงค่ะเอิอนะให้พยายามรู้สึกร่างกายให้มากนะรู้สึกร่างกายนะนั่งอยู่ก็ขยับตัวอะไรเนงะี้ยนั่งรู้สึกตัวไปเรื่อยกระตุ้นความรู้สึกตัวให้เยอะๆไว้นะตัวฝึกตรงนี้ก่อนนะค่ะจะได้ไม่หลงนะอ่ะต่อไปค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อ ส่งการบ้านครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าติดเพ่งอะค่ะตอนนี้ค่ายือะดูออกไหมข่าวก่อนดูออกไหมว่าเพ่งดูออกค่ะดูออกก็ดีแล้วล่ะแต่มันยังรู้สึกว่าพอถ้าเรากลัวเราก็ไม่นั่งสมาธิพอทีนี้มันหลงนานเลยอะค่ะต้องทำสิไปกลัวอะไรล่ะแต่ว่าเวลาหลงพอพอเรารู้ว่าหลงแล้ว มันทุกข์อะค่ะอันนี้ไม่รู้ว่ารู้หรือคิดอะค่ะไม่แน่ใจคิดเอาใช่ไหมฮนะแล้ใจ<น>มันฟุ้งซ่านมันรู้เอาไม่ได้หรอกใจมันฟุ้งไปต้องนั่งสมาธิต่อนะทำความสงบเข้ามานะอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่แล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปนะ<า>จะได้ทั้งตั้งมั่นได้ทั้งสมถะ แล้วทีนี้ต้องวิหารและทำอะไรบ้างนะคะหลวงพ่อต้องหาเครื่องอยู่ไว้อันนะยพยายามจะใช้พุโทโธหายใจอะไรอย่างนี้รู้สึกมันไม่แน่ใจว่ามันอะไรมันจะเหมาะกับตัวเองเอาอะไระะก็เอาให้มันเด็ดเดียวลงไปนะสงบก็พุโทโธไม่สงบก็พุโทโธอะไรเงี้ยนะทําไปได้ค่ะต้องเอาให้มันเด็ดเดียวนะไม่แน่ใจไม่มีกําลังตอนนี้กําลังเริ่มกลับมานั่งสมาธิใหม่อะค่ะนั่งไปนะแต่อย่าให้ขาดสติ อ่ะต่อไปขอบคุณค่ะ ก, บบการแตบ้าสการ์ค่ะส่งการบ้านครั้งแรกอะค่ะปฏิบัติมาสองปีกว่าโดยการปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็ควบคู่กันฟังซีดีมาตลอด ก, ก็ไม่มีติดครั้งอะไรแต่ว่าอยากได้การบ้านอะก็รู้ทันแล้วนะเวลาเราภาวนาเนี่ยเราต้องคอยสังเกตตัวเองบ่อยๆ จิตไปติดไปคล้องอะไรก็คอยรู้นะ <c oughs> หรือว่าภาวนาไปแล้วมันมีแต่ความสุขความสบายล้วก็อย่าไปติดมัน <c oughs> นะภาวนาแล้วฟุ้งซ่านไม่พอใจ <c oughs> ก็อย่าไปเกลียดมัน <c oughs> คอยรู้ทันไปฝึกไปเรื่อยจนใจเป็นกลางกับทุกๆสิ่งทุกอย่างเ้าใจไม่เป็นกลางเนี่ยรู้ทันไหมนะ <c oughs> ต่อไปเราจะฝึกไปเรื่อยตอนแรกเนี่ยต้องหัดรู้สภาวะ นะพอแต่เราหัดรู้สภาวะชำนี้ชํานานแล้วเนี่ยเราต้องมาฝึกรู้อย่างเป็นกลางค่ะคอยรู้ทันใจที่หลงยินดีใจที่หลงยินร้ายรู้บ่อยๆเนี่ยมันก้าวหน้าได้ค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าอยากได้อ่าเหมือนอะไรแรงๆค่ะเพราะว่าไม่ต้องแรงหรอกมันเริ่มจะเดียนมากจนมองไม่ค่อยจะอืมอให้คอยรู้ทันนะเวลาจิตมันยินดียินร้ายขึ้นมาค่ะกาบังับศีล ภาวนาเนี่ยหัดแรกๆจะดูง่ายนะแล้วกิเลสมันหยาบพอภาวนาไปช่วงหนึ่งเนี่ยกิเลสมันละเอียดละเอียดขึ้นนะมันดูยากขึ้ น, นธรรมประดากรับนักการหลวงพ่อครับก็มีไปส่งการบ้านข้ามท้ายเมื่อประมาณปีครึ่งแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าให้ไปทำในรูปแบบให้มากขึ้นนะครับก็มีไปทํามามก็เพิ่มขึ้นแล้วในปัจจุบันก็ทําอยู่แล้วนะฮะก็คือมีทั้งตอนเช้า ก่อนไปทํางานแล้วก็ก่อนนอนออื ừ, ก็ ừ, สดหมดแล้วก็ทําในรูปแบบ ừ, นะฮะแล้วก็ปีครึ่งที่ผ่านมาก็โดยเฉลี่ยก็รู้สตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีในชีวิตประจาวันก็ทํารู้ตามดูนะฮะในระหว่างทํางานก็ถ้ามีเอ อ, อารมณ์ที่รุดแรงเข้ามาก็พอรู้ทันนะ <ừ, S 2> ครั บ, รบอาจจะมีหลงไปบ้างแล้วก็ไม่เป็นกลางบ้างนะบางครั้งก็จะเห็นการทํางานของจิตที่มันเออ เวลามองเวลามีอะไรเข้ามากระทบก็จะพอจะมองเห็นว่าเออมันมีการทํางานของมันที่เป็นไปของมันเองโดยอัตโนมัติเราก็เป็นเราก็บังคับไม่ได้พอรู้ทันความรู้สึกที่มันจะตามเข้ามาหรือว่าทุกขเวทนาที่จะมุ่งมามันก็จะดับไปครับดีแล้วล่ะก็อยากจะให้หลวงพ่อแนะนําว่าไม่ทราบว่ามีอะไรที่ต้องตอนนี้จิตถึงฐานไหมก็ไม่ถ่ายมันตื่นเต้นครับครับตื่นเต้นไปออกนอกครับเราก็รู้ทันอ่ะ ที่ทํามาดีนะครับดีแล้วล่ะขอบคุณมากครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือพอเราภานาพอมาละเอียดขึ้นเนี่ยนะใจมันจะโล่งว่างสว่างมันโล่งมันว่างมันสว่างแล้วบางทีเรารู้ไม่ทันมันไปหลงยินดีพอใจไปติดอยู่ในความสุขความสบายอันนี้เป็นกับดักที่นักปฏิบัติเจอทุกคนแหล ะ, ะเรารู้ทันเอาไว้ก่อนการนมัสการหลวงพ่อครับ ส่งการบ้านครั้งแรกเมื่อสองเดือนที่แล้วอ่ะครับหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูว่าความคิดจริงๆมันผุดขึ้นมามากกว่าที่เราเห็น<ม>เร็วกว่าที่เราเห็นแล้วก็ให้ระวังเรื่องความแห้งแล้งอะครับก็กลับไปไม่นานมันก็แห้งแล้งเหมือนที่หลวงพ่อบอกครับแค่ตอนนี้น้ําท่วมแล้วแต่มันก็ไปเลยครับหลวงพ่ อ, อ ม, มันเบื่อสิ่งรอบข้างไปหมดเลยครับมันเบื่อเบื่อมีแต่เบื่ออย่างไรตัว น, นี้ยเรานะต้องไม่ให้ความรู้สึกแห้งแล้งเนี่ยนะครอบงําจิต อย่าปล่อยให้มันครอบงำจิตรู้ทันมันเข้าไปเข้มแข็งไว้ครับเอขอส่งขอราย ง, งานการปฏิบัติที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากการปฏิบัตินะครับมีครั้งหนึ่งเลิกงานนะครับกําลังจะกลับบ้านก็มันจะเป็นเหมือนนาทีทองนะครับก็จะมีบ่อยช่วงเลิกงานก็เดินเดินไปอยู่แล้วก็ดูไปอยู่นะครับสักพักหนึ่งมันก็เห็นสภาวะอะไรก็ไม่รู้ครับอืมแล้วมันก็ มันมีความรู้ึกมันมีความรู้สึ ก, ว, สกว่ามาอยู่ตรงนั้นนะฮะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ยฮ ะ, ะ ม, มันเหมือนแยกออกไปอืออยู่ห่างๆครับแล้วก็มีคืนหนึ่งนอนกําลังจะนอนนะครับเราเอามือก่หน้าผากไว้แล้วก็รู้สึกมันเป็นท่อนอะไรก็มไม่รู้ครับนั่นแหละตรงแขนใช่ที่ไก่หน้าผากเอาไว้อืมันเป็นตัวรูปนั่นแหละไม่ใช่คนเนาะไม่ใช่เราด้วยครับแล้วก็ มีคืนหนึ่งเหมือนกันนอนนอนอยู่แล้วเหมือนมีสติเกิดขึ้นมากลางดึกอะครับแล้วมันเห็นมันมีความรู้สึกว่าไอ้ไอ้เนี้ยกายอไอ้อยู่ตรงเนี้ยเป็นเป็นจิตแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ดูอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วเราก็อยู่ใกล้ๆไอ้ตัวที่ดูอยู่มันรู้สึกแบบเนี้ยครับดูไปนะดีแล้วล่ะครับสังเกตไมไมว่าตัวไหนตัวไหนก็ไม่มีเราใช่ครับ นะดูไปเจญเห็นเลยไม่มีเราตรงไหนเลยนะักขันกระจายตัวออกไปหมดแล้วก็ไม่มีเราเหลืออยู่ครับมีอะไรแนะนาอีกไหมครับแนะนา ไ, ไปแล้วเออไปทําอีกนะครับขอบคุณครับกลาวในรัชการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อบอกให้หนูทําสมาธาิอย่าให้ขาดนะคะเวลานั่งสมาธินี่ก็คือพอนั่งสมาธิใจรวมขึ้นไปก็ปล่อยให้รวมะคะ่ะขึ้นก็ปล่อยให้ขึ้นแล้วทีนี้ ชีวิตประจาวันทั่วไปให้เจริญสติอะค่ะตอนนี้คือการนั่งเวลานั่งสมาธิเนี่ยพอเวลาใจจะรวมปุ๊บสติมันจะตัดขึ้นทันทีเลยใจมันไม่รวมแล้วค่ะ เ, ออเวลาคนที่เจริญปัญญาจนชินนะจิตไม่ยอมทำสมถะนะเป็นโรคประจาทั่วๆไปออของพวกเจริญปัญญานี่เราทาไงดีรวมก็นั่งไม่รวมก็นั่งน ะ, ะต้องใช้หลักนี้นะค่ะ แล้วเวลาจเจริญสติในชีวิตประจําวันนะคะหนูเคยบอกหลวงพ่อบอกว่ามองสภาวะทุกอย่างเนี่ยมันขาดหมดมันมีอยู่ตัวนึงที่หนูว่าหนูมั่นใจว่าหนูเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆอะคะ่ะแล้วมันไม่ขาดหลวงพ่อบอกหนูว่าทุกคนมีจุดอ่อนจุดอ่อนมองเท่าไหร่ก็ไม่ขาด ห, หนูก็เลย ส่วนใหญ่หนูจะใช้สมถะไล่ออกอค่ะ<ม>หลวงพ่อแต่พอตอนหลังมันตัวใหญ่ขึ้นมันไม่ไหวหนูก็เลยไปหาหมอมพอกินยาปุ๊บอะค่ะมันก็คือไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเหมือนพลังงานอย่างหนึ่งอะค่ะคือ ม, มองมองไปแล้วมันทาอะไรหนูไม่ได้หนูเลยสงสัยว่ากายมันสั่งจิตให้แข็งแรงไม่แข็งแรงได้ด้วยหรอคะหลวงพ่อกายสั่งจิตเหรอหรือว่าจิตสั่งกาย กายสั่งจิตสิคะเพราะว่าพอกินายาเพอกินยาเข้าไปแล้วไอ้พวกนี้มันอ่อนแรงลงหรือว่าแต่ว่าคุณหมอนุ่นบอกว่าไม่ใช่มันอ่อนแรงลงแต่จิตหนูแข็งขึ้นแล้วก็มองมันโดยไม่ต้องใช้สมถะไล่อะคะ่ะไม่ต้องไปใช้สมถะไลให้รู้มันเฉยเฉยรู้ด้วยใจที่เป็นกลางไว้อย่าไปกลัวมันอย่าไปเกลียดมันค่ะนะใจเราไม่เป็นกลางกับมันหลวงพ่อคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนเป็นอย่างนี้นี่ถ้าเกิด ไม่จบชาตินี้เราไปไปชาติอื่นที่ไม่มีหมออย่างนี้ก็คือปิดมรรคผลนิพพานหรือเปล่าคะทำไมจะไม่มีหมอล่ะไม่มีหมอที่เรียนเกี่ยวกับเชี่ยวชาญทางนี้อะไรอย่างนี้มันคงเชี่ยวชาญมากกว่านี้มั่งเนาะค่ะค่ะก็คือมันคงไม่เป็นอย่างนี้ทุกชาติหรอกสิ่งนี้คือวิบากกรรมหรือว่ารู้อย่างเดียวนะรู้ไปรู้ด้วยใจเป็นกลางไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ด้วยใจเป็นกลางไว้ค่ะ ขันทั้งหลายนั่นนะตัววิบากส่วนใหญ่นะเป็นวิบากค่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะไปดูไปนะดูทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางนะไม่ใช่ใจที่เล่าร้อนกระยุกกระยิกกระยุกกระยิกค่ะกามัสการค่ะนมัสการค่ะหนูไปฟังเทศเมื่อวันที่สิบสิงหาที่มสทค่ะหลวงพ่อบอกว่าหนูติดสมาธาค่ะให้ฝึกดูตัวทีนี้หนูก็ไปฝึกดูค่ะ ตอนแรกหนูก็รู้จักแต่ว ja like oh. ่าคําว่ารู now, it. It ้ตัวแต่ว right um. ่าไม่รู so so ้ว่ามันเป็นยังไงอะค่ะทีนี้ก็ไปกวาดพื้นนะคะก็เลยเห็นว่ากายมาแยกออกมาจริงๆก็ดูต้องอย่างนั้นสิแล้วทีนี้ที่มันเกิดขึ้นกว่านั้นก็คือว่าตอนนั้นหนูก็ใช้พุทโธค่ะทีนี้มันดีดมันดิดออกมาเลยอะค่ะมันพุทโธมันก็เด่นตรงนึงกายก็ตรงนึงความรู้สึกที่ตัวรู้ก็ตรงนึงความคิดก็ตรงนึงแต่ว่าเวลามันคิดปุ๊บมันก็อยู่กับความคิดแล้วก็ออกมาก็เป็นตัวรู้งเงี้ยค่ะ แน่แหละถูกแล้วเห็นแม่ตัวรู้กับตัวคิดมันกุลาลันแต่ทีนี้มาออกมาปุ๊บเนี่ยหนูรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันรักตัวเองมากขึ้นมากๆะคะ่ะคือเหมือนกับว่ามันมีตัวกูขึ้นมาจริงๆอะคะ่ะอย่างที่หลวงพ่อเทศนะคะใช่แต่เดิมมันก็รักนะแต่ไม่รู้ค่ะเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีก็เพ้อเพ่อแผละคะ่ะพอไปมาเหมือนกอรัก <c oughs> ตัวเองแบบรักๆๆ ม, มากๆเนะะี่ยค่ะแต่ทีก็เลยตอนนี้ก็คือแบบเหมือนจะฟุ้งก็เลยมาดูที่กายอะคะ่ะ แล้วก็รู้สึกว่าเออก็เห็นอะไรมากขึ้นดีนะไปทำงานไปกวาดอะไรต่อไปอยากให้หลวงพ่อแนะนำทำถูกแล้วล่ะไปทำต่อเจ้าค่ะไปทำอีกสิทาไปเรื่อยๆแล้วความรู้ความเข้าใจมันจะเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆนะไม่มีเรามีต่ขันที่กระจายตัวออกไปแล้วหาเราไม่ได้สักอันเดียวถ้าใจยอมรับได้เมื่อไหร่ก็ได้ธรรมะค่ะแต่เราไม่ได้อยากได้นะ เจ้าข่าอย่าไปอยากได้ธรรมะนะมันได้เองเจ้าข่าพอหลวงพ่อเทศวันนี้ก็อะไรที่ติดอยู่ก็กระจ่างเจ้าค่อ่ะต่อไปดีแล้วล่ะกลาวหลวงพ่อค่ะเมื่อเดือนที่แล้วได้ส่งกันบ้านนะคะว่าที่ดูกายแล้วกายแบแน่นแน่นที่หน้าอกขึ้นมา ดูก็ดูเเวทนากับจิตเขาแยากจากกันเสร็ จ, กกจแล้วก็คิดไปคิดมาคิดนั่นคิดนี่หลวงพ่อก็บอกว่าปัญหาก็คือเอปัญญามันลําหน้าไปหลังจากนั้นกลับไปบ้านสามวันผมได้นึกขึ้นได้ว่าอ๋อที่ฉันเป็นเพราะฉันมัวไปปรุงอยู่นั่นเองเออฉลาดนะฉลาดในสามวันใช้ได้บางคนบอกไปสามปีถึงจะรู้นะเสร็จแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเอ응응อ่ ขึ้นรถเมย์ไปทํางานเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งจะกดออดทีนี้นกดไม่ถึงเพราะว่า ม, มันไกลจากเรามากตรงไหนก็ไม่ถึงเลย<ม>ก็บอกว่าให้ช่วยกดออดให้หน่อยเจตนาก็คือบอกกับกระเป๋ารถเมย์เสร็จแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าจะลงกดออด น, นะคะขณะนั้นก็เถียงในใจฉันไม่ใช่มือแม่นาคนะจะได้เอื้อมไปถึงได้<ม>แล้วก็คิดทันทีตอนนั้นเลยบอกว่าเดี๋ยวาคิดดูนะฉันลงจากรถนะฉันจะต้องโทรไปหนึ่งห้าแปดสี่ แล้วมันก็บอกว่าออีกจิตเขาก็บอกว่าเอาแล้วไปแล้วปลุงไปเรียบร้อยแล้วณขณะนั้นตัวอาคารพยาบาทก็มาแบบจี๊ดมากเลยค่ะโ อ, อดีค่ะเนี่ยยิ่งกว่าแม่นาคอีกค่ะแล้วหลังจากนั้นพอขึ้นรถเมย์มาเจอคือทุกๆวันเนี่ย น, นะคะก็จ้องเอาแล้วคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาคาดหน้า <c oughs> เราก็ไม่เห็นใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็รู้อีกว่าเอามาอีกแล้วตัวอาคาตตัวพยาบาทมาอีกแล้วนะคะ แล้วเมื่อกี้พอฟังทำเสร็จแล้วบอกออนี่เองฉันก็มัวไปปลุงอยู่อีกแล้วนะคะไปอยู่อย่างเงี้ยแล้วเสร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่จิตชอบร้องเพลงมากอืมนะคะตื่นมางัวงเงียงัวงเงียอยู่คือจะไปห้องน้ําเนี่ยกายที่งัวงเงียมากแทบจะเดินชนแต่จิตเขาร้องเพลงชนิดที่ว่าแบบรื่นเริงมากอะค่ะอืนะค ะ, ะ, คะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยมองว่า จิตที่ร้องเพลงเนี่ยเขาวิ่งแบบวิ่งปลู้อมาเลยค่ะในขณะนั้นเนี่ยเหมือนมีจุดอยู่นิดนึงที่มันยังไม่มีอะไรเลยแต่อยู่ๆเขาวิ่งจูดมาหาเราเลยแล้วเขาก็ร้องเพลงออพอเขาร้องมาได้สักพักอ๋อ ก, ก็เลยมาเป็นคนที่ใช้ใช้ขวิธีของตัวเองก็คือนับเลขก็กลับมานับเลขต่อแล้วเขาก็ไปไปของเขาไปแล้วก็นับเลขเขา้าห้องน้ําไปเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับมาก็นอนหลับต่อค่ะนึกว่ากลับมาภอวนาต่อ กลับมาก็หลับต่อได้อะค่ะก็สอส่งกันบ้านแค่นี้ค่ะไปทําอีกไปให้เขารู้ทันไว้นะ่ะเห็นเลยเราอร้ายจริงๆทุกคนร้ายนะแต่มันซ่อนไว้ในบ้านในเมืองเราหลอกกันทุกคนแหละหลอกใส่หน้ากากนั้นเราภาวนานะเราต้องรู้เลยธาตุแท้งเราเป็นยังไงค่ะจิตเป็นอกุศลต้องรู้ทันอะไรเงีนะ้ยไม่งั้นเราจะไปกลบไปเกลื่อนไว้ เดี๋ยวนี้หลอกกันสารพัดนะมีกันทั้งอะไรนะ f เฟซบุ๊กมั้ยใสหน้ากากไปหมดเลยค่ะก็<ม>ขออนุญาตทุกท่านนิดนึงนะคะ<ม>คือน้องสาวอ่ะวันนี้พาน้องสาวกับหลานมาด้วยคือเพิ่งเปิดฟังซีดีให้เขาค<ม>ือปกติตัวเองเอ่ะฟังมานาน<ม>แล้วแต่นี้น้องสาวกับหลานเนี่ยเขาก็จะฟังมั่งไม่ฟังมั่ง<ม>เขาก็หุดหงิดบ้างเมืมม่ อ, อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าในขณะที่เขารางเลือกกระเทียมอยู่เนี่ยมือปากเขาก็พูดโทรไปมือก็เลือกกระเทียมไป ใจเขาว่าคิดแล้วว่าฝนกําลังจะตกเข้าไปเก็บผ้าก็เลยสอนเขาบอกว่านั่นแหละถูกแล้วทําต่อไปเถอะให้ทําแบบเนี้ยแล้วถึงเวลาเดินด้วยก็ให้เดินก็เดินจงกรมก็ให้เดินภาวนาไปท่องไปถูกไหมคะถูกแต่อย่าบังคับมากนะเดี๋ยวเขาโกรธเอาค่ะต่อไปมาสการหลวงพ่อค่ะก็ส่งกันบ้านรอบ3เดือนไหมคะครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปปฏิบัติในรูปแบบเพิ่มขึ้นค่ะ แล้วก็ให้สังเกตจิตที่หวั่นไหวง่ายค่ะก็มีเดินจงกรมดูการเคลื่อนไหวกับนั่งสมาธิดูลมหายใจนะคะแต่สิ่งที่สังเกตเห็นก็คือว่ามันมันจะไม่ค่อยอยู่กับการเคลื่อนไหวกับลมหายใจแต่มันจะคิดซะเยอะค่ะคิดแบบมาต่อเนื่องอะคะ่ะนี่ยเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะอยอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธอะไรก็ได้แล้วจิตหนีไปรีบรู้ไวๆอย่าไปปล่อยมันอย่างนี้คือหย่อนไปใช่ไหมคะ ก็คือต้องต้องกลับมาตั้งใจเจตนาเพิ่มมีสติเพิ่มขึ้นหน่อยนะแล้วพอสังเกตไปจะเห็นเรื่องง่วงอะค่ะง่วงเอขาง่วงก็จะตอนก่อนจะไม่กล้าดูเดี๋ยวนี้จะจะกล้าดูมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าก็เป็นกลางกับเขามากขึ้นนะคะนั่นแหละดูทุกสภาวะนะก็จะเห็นว่าไม่มีเราในสภาวะอันใดอันหนึ่ง่ะดูไปเรื่อยแต่ว่าจิตที่หวั่นไหวง่ายเนี่ยตอน ปฏิบัติในรูปแบบมันจะไม่ค่อยเห็นนะคะมันจะไปเห็นในเวลาที่ใช้ชีวิตประจําวันนะคะเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี้ยทาไปเพื่อเพิ่มพลังเพิ่มพลังอ่เพิ่มพลังน ะ, ะลงนะแล้วมาเจริญสติในชีวิตประจําวันให้มากถ้าเจริญสติในชีวิตประจําวันรวดไปเลยไม่ทําในรูปแบบนั้นได้พักเดียวหมดแรงดูไม่รู้เรื่องลนะก็คืออันนี้ยังยังอยู่ในความยังหลงไปในความคิดใช่ไหมใช่ ย, ยังฟุ้งเก่งอยู่ยังฟุงเก่ง ยังไม่ยังไม่ได้เรียกว่าแยกค่าแยกขัดเลยใช่ไหมคะแยกสิทําไมจะไม่แยกล่ะก็แยกบ้างไม่แยกบ้างขอการบ้านไปทาต่อค่ะไปขอบพรคุณค่ะอย่าให้จิตมันฟุ้งไปก็แล้วกันนวัตการหลวงพ่อครับผมตอนแรกก็ขอส่งการบ้านก่อนนะครับการบ้านแบบสดๆร้อนๆเลยสําหรับผู้ที่ได้หมายเลขสิบสองน่าจะคล้ายๆกับผมทุกคน คือตั้งแต่หมายเลขหนึ่งมาเรื่อยๆยาวตั้งถึงหมายเลขสิบเอมันยืดขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วร ะ, ะลึกขึ้นมาอัตตสติอัตโนมัติร ะ, ะลึกขึ้นมาแล้วคิดต่อว่านี่มันตัวตนของเราว่ากลัวทุกขวเวทนาอย่างนี้ใช่หรือเปล่าครับนะอะไรนะคือมันมันมันสติอัตโนมัติมันระลึกขึ้นมาตั้งแต่หมายเลขหนึ่งมาเลยครับมันตื่นเต้นยืดมาเรื่อย ๆ, อๆครับ แล้วสติอัตโนมัติก็รลึกมาเรื่อยๆดูไปนะเพื่อใ ห, ใ, <ช>ให้เห็นว่าไม่มีเราตรงไหนเลยเกินเต้นมันก็ตื่นเต้นเองแล้ว <นะ S 1> มันพอถัดจากสติอัตโนมัตินะครับมันคิดต่อคิดต่อว่านี่นี่นี่มันเราเนี่ยพรรู้สึกเป็นอัตตาตัวตนที่กลัวทุกขเวทนาอืใช่ใช่ไหมครับใช่ครับพี่คราวนี้ก็เข้าประเด็นคําถามนะครับคำถามอันแรกคือ โยนิโสมานัสิการนะครับก็เอาเหตุการณ์สดสร้อนนี่เลยครับม า, มา เ, ปเป็นคําถามว่าคือผมเข้าใจว่าโยนิโสมานัสิกาน่ะก็คือการคิดพิจารณาธรรมแสดงว่าเมื่อกี้ในผมทาโยนิโสมานัสิการด้วยใช่แต่ต้องคิดแยกไขหมายถึงว่าคิดโดยมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นฐานนะไม่ใช่คิดเอาเองนะครับอย่างนี้ถ้าเราเห็นดูไปเรื่อยเห็นเออเนี่ยมันรักตัวเองนะมองเห็นจริงๆนะ เห็นเวทนาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบานะเห็นจิตเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวนีมีแต่ของไม่เที่ยงอไถ้าอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าไปคิดแต่เลิศเปิดเปิงไปจักวานเป็นอย่างนั้นโลกเป็นอย่างนี้ไม่ใช่โยนีโสแล้วครับแสดงว่าเมื่อกี้ที่ที่คิดคิดไปเราเกิดมีสติอัตโนมัติแทรกขึ้นมาอืออย่างนี้ใช่ใช่ไหมครับใช่โยนีโสใช่แต่อย่าไปคิดตามมันนานครับไม่ไม่นานนะอย่าไปไค่กลวนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเสียเวลา ดูโลกปัจจุบันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวขอสองประเด็นนะครับเพราะว่า เ, าเมื่อกี้ที่ผมสรุปไปว่าโยนิสโสมัจฉาการคือเราไปคิดอันเสร็จแล้วมีบางครั้งนะครับบางครั้งเวลาสติอัตโนมัติระลึกขึ้นมาแล้วเห็นเวทนามันเปลี่ยนระดับนะครับเห็นเวทนาเปลี่ยนระดับถูกแล้วแต่ว่าแวัดเดียวนะครับขนาดนั้นเป็นโยนิสโสมัจฉาการด้วยใช่ไหมครับ คือตรงนั้นเนี่ยมันมีองค์ธรรมะเยอะแยะเลยนะเกิดร่วมกันนะตรงนั้นเราไม่ได้พิจารณาอะไรหรอกแต่เราได้เห็นสภาวะจริงๆแล้วว่ามีแต่ของไม่เที่ยงเกิดขึ้นนะครับคือคือเห็นเวทนามันเปลี่ยนระดับอ่านะเรามีสติรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเวทนารเรามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่มีสมาธิที่ถูกต้อง เราก็เกิดปัญญาเห็นว่าเวทนานก็เปลี่ยนได้เองไม่ใช่เราหรอกนะจิตที่เป็นคนดูนะก็ไม่มีคนนะอานนี้ก็เป็นตัวปัญญาปัญญาเป็นตัวเห็นไตรลักษณ์งนะั้นองค์ธรรมมันเกิดร่วมกันเยอะแยะเลยตอนนั้นขออีกสองประเด็นนานิดเดียวนะครับคื อ, อ, อผมมีผู้ร่วมปฏิบัติธรรมอันนี้เวลาให้คำแนะนำของเขาคือลูกศิษย์ผมเองครับ ผมให้เำแนะนาของเขาจากที่จากคล้ายๆเหตุการณ์แบบเมื่อกี้คือใช้ความคิดนำใช้ความคิดนาว่าณปัจจุบันขณะอะไรปรากฏขึ้นมารู้ตามนั้นแต่เป็นการคิดแล้วปรากฏว่าลูกสิมาบอกว่ามีสติอัตโนมัติถี่ขึ้นครับเราต้องฝึกให้ครบนะมีสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติไม่ได้คิดนะ มีความเข้าใจของจิตสมาธิอัตโนมัติก็คือในขณะที่สติเห็นสภาวะเนี่ยใจตั้งมั่นให้ให้ลูกศิษย์ฝึกให้ครบๆที่ผมแนะนํานักเรียนไปอย่างเนี้ยมีมีข้อระวังนี่ระวังเรื่องเรื่องระวังมันจะคิดแล้วทิ้งสมาธิไปใจต้องตั้งมั่นนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคิดนําไปครับขอประเด็นสุดท้ายนะครับมีมีนักเรียนบางคนมา มาปรึกษาว่าเขาซึมเศร้ากับกับไอ้กับความรักของเขาครับเนี่ยผมก็วิเคราอ์แล้วบอกแล้วให้เขาใช้วิธีแบบเนี้ยคือสังเกตความรู้สึกไปอืนะแล้วเดี๋ยวน่าจะหายไปไอ้ความทุกข์ตรงนั้น่ะหรือไม่ก็น่าจะห่างออกมาอืเขาก็มาบอกว่ามันก็จริงเหมือนที่แนะนําแต่บางครั้งมันไม่หายตรงนี้จะจะแก้ไขยังไงครับจะแนะนำเพรากลางนะ ขาดเด็กไนดะ่ขาดความเป็นกลางไปดูด้วยเจตนาอยากให้หายไม่ใช่ไปดูเพื่อให้เอาความจริงนะแต่ไปดูเพราะอยากให้หายเพราะงั้นไม่หายหรอกใจไม่เป็นกลางครั บ, รบขอบคุณมากครับครับก็สุดท้ายนี้เราจะร่วมกันถวายทานที่มีผู้นำมาถวายนะครับ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 ยถาว่าริวหาปุราปริปุเรนตีสาขรางเอวเมวายโตจินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติราโสยะถาสัพีติโยวิวัชชนตูสัพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะ ภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปจายิโนจ ต, ตารโรธรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ